ยามแล้วมันมันง่วงบางทีหลับโดยที่ไม่รู้ตัวคือมันบูบลงไปเลยแบบนี้ครับแช่แช่แช่แช่เงีบเลยไนแช่งยั บ, ยยบวิธีแก้มันอยู่ในท่าจะทุกแผกลยยแล้วเยอะแยะหมดวิธีแก้ไงอะใครจำได้บ้างวิธีแก้จิตแช่มีทั้งหลายตอนจำไม่ได้เหรอขยับ ทำนูน่นทำนี่อะไรเปลี่ยนอิริยาบถหมไม่ใช่วิธีแก้จิตแช่จิตแช่นิ่งเฉยทําไงเ อ, เ อ, เอ็นดิเทศอยู่หลายตอนมากเลยอ่าใครจําได้เอาจะได้มาจะได้ไหมปอจดจะ ไ, ได้ไหะเอาาวิธีแก้จิตแช่มันมีอยู่หลายตอนมากเลยวิธียาว่าไงอา้ามันมีหลายตอนมากนะ อ้าวิธ es. ีแก้จิตแช่ขายรู้มั้งอ่านในบทยกมือเลยบอกได้มาไม่ใช่อาวพอพูดอะไรอ่ะวิธีแก้จิตแช่ียพอดีปอก็แช่อยู่ก็เลยเวลาหนึ่สังกลมก็เลยแบบเดินเร็วๆเลยค่ะคือคือเดินเร็วๆแล้วมันก็ดีขึ้นค่ะมันก็มันก็ เพคือมันงวต่นั่นก็คือพอแก้ได้แหลออะค่ะที่ขยับตัวเดเร็วๆขึ้นหรือไปทําอะไรซะเนี่ยอันเนี้ยมันแต่มันแก้มไม่ขาดเด no okay. ี๋ยวก็กลับมาแช่แล้วมันจะแช่ลึกไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ด้วยวิธีเดิมมันจะแก้ไม่ได้เวลามันแช่ละเอียดลึกไปเรื่อยมันจะใช้วิธีเดิมแก้จะแก้ไม่ได้ขยับตัวแล้วก็ไปทําอะไรเนี่ยมันจะใช้วิธีนี้แก้จะไม่เด็ดขาดแล้วมันจะไม่หายมันจะไม่ขาดเพราะว่าในในซีดีมีหลายตอนมากเลยกดที่แช่แล้วไปช่วยมา ในยูทู e ก็มีหลายตอนมากอจำได้ไหมเอา้าจะได้มาไหนะวิธีแก้แช่ที่เด็ดขาดทั้งนั้นแต่ลนตาให้วางนะค่ะวางอะไรวางสิ่งที่ปรุงที่แช่นีน่ยังไงอะหนูไม่แช่หนูอธิบายไม่ถูก อ, อ, <laughs> อะไรไม่มันมีอาการมันก็ ก็ S 1> <S 1> <S <S ให้แค่รู้ว่ามันมีอาการอม่มันมันต้องเข้าหาอะไรเข้าหาผู้รู้เออวันนี้เนี่ยเด็ดขาดเนี่ยมันต้องเข้าหาผู้รู้ลแล้วก็พบผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางผู้รู้อ่ามันวางลงมันมีมันติดสองขั้นตอน <S <S 2> <S 2> วิธีแก้เด็ดขาดคือมันต้องเข้าหาผู้รู้เข้าหาผู้รู้พอเข้าหาผู้รู้เสร็จแล้ว ก, ถถถถกเ็เห็นผู้รู้ ผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดมันก็จะไม่สนใจจิตแช่แล้วแต่เนี้ยมันจะไม่สนใจจิตแช่นิ่งเฉยและมันจะเข้าหาผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดแล้วก็เห็นผู้รู้ผู้คิดมันก็ปล่อยวางผู้รู้ผู้คิดก็พ้นทุกไปอย่างนี้ใช่ไหมชั้นหลวงตาคือคือสมมุติว่าเราง่วงเนี่ยแต่ตอนนั้นอ่ะมันจะไม่รู้ว่าง่วงเลยแล้วพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เอ้ยนี่เราง่วงนี่คือ ผู้รู้แล้วใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ถามว่าถามว่าอาการที่เรารู้สึกเนี่ยอาการแชร่อาการนิ่งอาการเฉยอาการโป่งโล่งเบาสบายเหล่านี้มันมันรู้ตัวมันเองได้ไหมไ ม, ไมันรู้ตัวเองไม่ได้ว่าคนอื่นจะไม่รู้เลยว่าเรามีอาการนิ่งเฉยโป่งโล่งเบาสบายคนอื่นก็ไม่รู้มีใครเป็นคนรู้เอาไม่รู้ ตัวเรารู้เออเราเป็นคนรู้แต่เรารู้เนี่ยแหละเราสังเกตที่ตัวเราก็จะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันพากมันพากยังไงมันพูดยังไงมันพากยังไงมันมันก็เอาลงว่างแล้วเราก็มามารู้ที่ตัวเราเนี่ยปล่อยวางตัวเราที่มันพูดมันพากมันพูดมันพากเรากมาปล่อยวางตัวเอะไรมันพูดมันพาก พอพอเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าพอตอนตอนที่ง่วงเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะค่ะท่านมันเหมือนกับมันมุบ<อ>ไปเลยควง่วงความง่วงความจริงมันจับสบายก่อนแล้วพอตอนจิตสบายเนี่ยเสี้ยววินาทีเดียวที่เราไม่เห็นเราคิดเนี่ยแสดงว่ามันผิดไปแล้วเสี้ยวนาทีเดียวเนี่ยหลายตอนที่เทตไว้เนี่ยเสี้ยวนาทีเดียวแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าเราเราบ่นอะไรพากอะไรพูดว่าอยู่คนเดียวพูดพูดอยู่กับตัวเองคนเดียว พากอะไรเอาอะไรมาคิดติดตอในใจเนี่ยถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยอันนี้แช่เลยมันต้องแช่ตรงนั้นซะก่อนแล้วมึงง่วงทีหลังคือคนเราเนี่ยปิดไฟสักก็ไดแต่มันแรงเข้ามาก็ปิดไฟแล้วลยคนเราเนี่ย เมื่อเห็นขนาดจิตที่เห็นอะไรเนี่ยมันจะต้องเอามาเอามาคิดเอามาภาเอามาคิดเอามาพูดเอามาภาพเอาก็มอวิภาควิจารณ์ในใจพอหูได้ยินเสียงอะไรมันก็ต้องอามาคิดเอามาพูดเอามาภาพในใจพอได้กินมันก็ต้องอามาคิดเอามานึกมาตึกมาตองอยู่ในใจพอไปกินอะไรอยู่มันก็ต้องอามาคิดมานึกมาตึกมาตองในใจ พอไปสัมผัสอะไรมันก็ต้องมาคิดมันลึกมาตึกมาต่อนในใจใจสบายไม่สบายก็ต้องมาคิดมันลึกมาตึกมาต่อนในใจเราคิดดีคิดไม่ดีมันก็ต้องพอไปรู้ว่าเราคิดดีไม่ดีมันก็ต้องมาคิดมันลึกมาตึกมาต่อนในใจมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่าวิญญาณขันเนี่ยเพศหลายตอนมากเลยวิญญาณขันก็หาผู้รุ่เป็นวิญญาณขันจิตวิญญาณขันพอไปรู้อะไรเสร็จแล้วมันจะต้องเอามาส่งต่อเจตสิกธิเวทนาสัญญาสัง ข, ขานคือมันจะต้องถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็ หรือว่าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจคือถ้าถูกใจก็เป็นถูกเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาหรือว่าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกรรมทุกเวทนาแล้วส่งต่อสัญญาจําได้ใหมนู้ส่งต่อสังขารคือคิดปงปุงคิดและวิญญาณวิญญาณตัวเก่าเนี่ยเมื่อมันส่งต่อเวทนาแล้วมันกระดับไปแล้วมันก็จะมาเกิดวิญญาณตัวใหม่กิตวิญญาณตัวใหม่มารับรู้เวทนารับรู้สัญญารับรู้สังขารเรื่อยไปอย่างเงี้ย เราเนี่ยส ต, ติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ใจล่าที่ใจปล่อยวางที่ใจเราก็จะเห็นว่าโอ้ยภายในใจเราเนี่ยมันเอามกาิดมานึกมาตึกมานตองมาพปุ๊ไม่หยุดบ่นไม่หยุดวิเคราะห์วิจารวจไม่หยุดไม่นี้หรอกตลอดเวลาเลยตลอดเวลาจะต้องพูดอยู่ตลอดเวลาตัวเราเนี่ยแม้แต่เนี่ยตามมองเห็นดวงตาหูก็ฟังเสียงดงตาเนี่ยข้างในต้องพูดว่าอะไร พูดอยู่คนเดียวไวม่ฟังอยู่คนเดียวถ้าไม่พูดแสดงว่าแช่แหละมันพูดอยู่แต่เราไม่เห็นมันเราสังเกตให้ดีสิเราสังเกตดีว่าตามองเห็นล้มตาเนี่ยหูฟังเสียงล้มตาอยู่เนี่ยข้างในมันต้องพูดซ้อนอยู่มันต้องพูดตรงภากต้องพูดว่าอะไรแล้วก็เห็นมาแล้วก็ปล่อยวางมันเนี่ยก็จะพ้นทุกข์ได้ปล่อยวางให้ตัวเราที่พูดซ้อนเนี่ยมก็จะพ้นทุกข์ได้ถ้าปล่อยวางตัวเราก็จะพ้นทุกข์ เอาตัวเราไปปล่อยวางอย่างอื่นในพ้นทุกเอาตัวเราไปปล่อยวางอาการแช่อาการว่องมันในพ้นทุกผมไม่ได้ป of ่อยวางตัวเราไอ้ตัวเราพยายามที่ล่นผักสายอาการแช่อาการอึดอัดอาการทึืบอาการเจ็บปวดเราไปผักใส่เวทนาเอาตัวเราพยายามไปผักใส่อาการเวทนามันได้พ้นทุกผมไม่ได้ไปวางตัวเราแต่มันเอาตัวเราไปปล่อยวางเวทนามันไม่พ้นทุกมันต้องปล่อยวางตัวเราหรืจะพ้นทุก แต่เราเนี่ยเอาตัวเราไปปล่อยวางอย่างอื่นมันเลยไม่พ้นทุกข์แต่โทษมาเนี่ยที่เราแช่เพราะว่าเราใช้ชิตประจำวันเนี่ยเราไม่ได้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสังเกตที่ใจปล่อยวางที่ใจเราส่งจิตออกนอกเราเลยแช่เพราะอะไรเราไม่ได้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจระที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาคือ เรารู้อะไรมันต้องเอามาภาคเอามาพูดอยู่คนเดียวในใจแต่เราเนี่ยไม่ได้สังเกตใจดีใจตลอดเวลาว่าเราเอาอะไรเอาเข้ามาภาคเอาพูดยังไงเมื่อเราเห็นเขาเราเห็นแล้วเขาแล้วเราเอามาภาคเอามาพูดเอาเข้ามาติดปองว่าอย่างไงเราไม่เห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลินอะไรรีบลดสัมผัสอะไรต่างเนี่ยเราจะเอามาภากเอามาพูดตลอดเวลาแหละแต่เราเนี่ยใจเราไปส่งออกไปอยู่กับไอ้อารมณ์ที่ถูกรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้ตลอดเวลาในชิตประจําวัน เมืราไม่รู้ว่าใจเราภากอะไรเราเลยแช่เลยเนะี่ยแช่อารมณ์ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแบบไม่ไม่รู้เลยแล้วก็แบบหายไปเลยค่ะก็ยังสงสัยเอ๊ะทําไมมันหายหายแบบเนี้ยไม่ไม่รู้เลยจริงๆว่ามันคิดอะไรหรือก่อนหน้าที่จะแช่ก็ไม่รู้ค่ะแต่พอพอหลับปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเอ๊ะทําไมเราหลับแบบหาย หลับแบบไม่เหมือนเหมือนหายหายไปเลยไม่รู้อะไรเลยอะค่ะโอแสดงว่าชีพประจําบาลนั้นส่งจิตออกนอกหมดส่งจิตออกนอกไปหาสิ่งที่ถูกรู้ตลอดเวลาจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลหนึ่งจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นมากผลในึจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ คือพ้นจากทุกอริยาสัจสีหยุดเหลวเปนลงอยู่ตรงนี้แน่ mm hmm. พุทเจ้าก็สอนอริยาสัจสีเนี่ยเป็นส่วนมาก mm hmm. จิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ผลในจิตสออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลในจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกข์เราไม่เห็นจิตซะแล้วมันไปเห็นแต่อารมณ์ที่ถูกรู้ ตัวออกนอกไปหาลมที่ถูกรูก้จะจิตตัวออกนอกไปหาลมที่ถูกรู้มันเรามีชีวิตไปอยู่ในขณะประจําวันนี่เดินทางอยู่ในสายสมุทัยกับทุกสมุทัยกับทุกเดี๋ยวจิตมันต้องไปยึดสิ่งที่เรารู้เราเห็นเนี่ยเขาไปยึดถูกใจไม่ถูกใจเพื่อเพลินจเจริญใจถูกใจไม่ถูกใจเพื่อเพลินไปมันก็จะเป็นละความโลภความโกรธความหลงเรื่อยไป ถ้าถูกใจมันก็ปยึดธชอบใจติดใจยินดีมันก็เป็นความโลภเป็นราคะไม่พอใจงุนหงิดเขาลําคาเขาเบื่อเขาอยากให้เขาพ้นหน้าไม่อยากพูดด้วยมันก็เป็นปฏิฆะเป็นความไม่พอใจมันเกิดความพอใจไม่พอใจในใจมันไม่ถึงขั้นพอใจไม่พอใจแต่ไม่รู้ว่าในใจเนี่ยมันเพลิเพินคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปทั่วเพราะว่าไม่ดีใจไม่ไปอยู่กับเขา แต่มันคิดพวงแต่งพวงส่านเรื่องอื่นไปอันนี้เป็นโมหะรุ่มหลงสติขาดแล้นีมันก็เลยเดินทาง ไ, ไปฝ่ายกิเลสตลอด